ก็โกรธมันก็ห้อนเหมือนกันผู้หญิงโกรธผู้ชายโกรธเด็กเล็กโกรธผู้เฒ่าผู้แก่โกรธมัก็ร่อนเหมือนกันพระเน้นเทนซี่โกรธมันก็ร่อนเหมือนกันอันเดียวกันจึงว่ามันเป็นสภาวอันเดียวกันมันว่าเลแบ่งแยกศาสตร์สัวัณณะอันว่าโรคอยากบินมามันก็เป็นอาการเหมือนกันอันเดียวกัน มันเดือดร้อนหรือว่ามันสุกมันเยียเกเยน็นมันก็เป็นอาการอันเดียวกันนี่เชื่อว่ามันเป็นท่ำอันเดียวกันมันเหมือนกันจชื่ว่าผมมีเ่ามีแกมีหญิงมีชายผมมีศาสตร์สั่นวันณนะ มันบ่มีสมุดบ่มีบัญญัติมันบ่มีซื้อใจนะบอกว่าฝรังมั่งค่าแยกกินหินห่อไห้ลาบแขกอเมริกันอไนี้มันเกิดรูอันเดียวกันนั่นแหะต่าหานยังมีกิเลสอยู่มันเกิดโลกก็โกรก็หลงอยู่เหมือนกัน แก่มันบตกแก่บวรุดบวรูดมั่นก็หอบเมื่อเกิดมาแก่มาเก็บเมาื่ตายยินจริ ง, ร ง, รงว่าให้แก่ของไผของมัน่นตั้งข้อมเพี้ยนลงไปข้อมเพียนคือข้อมพยายามอุตสาหะวิรยะเพี้ยนพยายาม เพ่งพินิษฐิจรณาแก่ไถในอิริยาบถ ท, ทั้งซีจิงว่าให้เดินให้ยืนนั่งให้นอนเดินจงกลมกับเดินกำหนดคิดกำหนดใจนะเห่งพินิษฐิจรณายม่ในกคิดในใจของเจ้าของนงอั่งคอหน้าเหมือนกัน นอลงไปทีใจให้มันเกิดข้อมสงบให้มันเกิดกล่อมแมวแม่อลกพิจะะารณาอาการของใจเป็นอนิจจังทุกครั้งอน้ตาอย่างไดทางควาอมเป็นกิ่นมันเป็นอย่างไดพิจะะารณาอยู่แข่งอยู่นอนหรือีสติตั้งสติอยู่ก็มนอดอยู่ ยืนตั้งสติกำหนดอยู่นั่นเรียกวมี่อมเพียจรจึงว่าผู้มีคขอมเพียรแข่งอยู่จึงจะพ้นจากวงของมานจึงจะพ้นจากกิเลสอาสะวะเครื่องดองสันดาน่างที่มันเป็นของส ก, กปกโต ม, มม่ ถ้าขาดความเพี้ยนว่มีความเพี้ยนอะไรอยู่ไปตามเหลี่ยมตามเล่ า, าไปเอาแต่ว่ามันขีดขึ้นมาหนาได้แบบไดมันก็เหมือนกันก็ร้อยอยู่ในคืนหนามทะเลหาสมุทรเอาแต่ใ น, นสิกระทบเขามาเอาแต่คืนมันสิฟัดไปทางใดฟัดไปทางใด ลอลิอล อ, ลอแหลกโยกเรืองก็บกพาวแห่งร้อยน้ำเฮยบอมีสิ่งไหนที่จะเป็นตัวของตัวใดอัตติฮิอัตโน่น่าโผลต้นแรกเป็นที่พึ่งของตนก็้วได้พึ่งเ่อใดเขาเพาะปล่อยไปตามเรือตามราบตามเรื่องไปเรื่องของกิเลสนั่นแหละเรื่องของอาล้มนั่น ยจะให้มีขอ้อมเพี้ยนน้อมขม่าก้มนดจัดจอาา่อขม่าแก้เจ้าของทำร้ายมันให้มันแตกจะกระจายออกไปสิ่งไหนมันเป็นขาดศึกย่าไปห่วงมันอย่าไปแพ่งมันไหวหน้าพิธิข้อมโรคข้มโกรธข้อมอยากงั้นมันเกิดเป็นแพ่งมันลงไปวมันเกิดข้อมอยากขึ้นมาก อยากให้สิ่งไหนอยากอะไรเบิ่งมันมันลูความกินอยากโกดอยากแคนอยากดูอยากกินอยากกระท่ำทีริยาอาการต่างๆมันกร็ร่วมแต่ว่ามันเป็นความอยากึ้นมา ก, กัาตอ น, นัน จะให้เพ่งมันเห็นก้อมอยากรูกเท่าก้อมอยากเนี่ยมันอยากในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมก็สอนมันให้มันรู้ว่ามันเป็นโทษมันไม่เป็นธรรมไม่ใช่ธรรมนี่ยธรรมตามก้อมอยากมันก็เป็นผลที่จะให้เกิดทุกข์ให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นมากเพรยังร่วมขอมาก เอาตัวอยากเป็นตัวเหตุว่าตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นเหตุให้ทุกเกิดคือความอยากแม่แต่เหอ้อยากค้นทุกอยากไปสวรรค์ไปนีพผ่านมันก็นยังเป็นทุกเพราะเมื่อค้อมเมื่ออยากเราก็ต้องตะเกียบตะกายท่อมแปลว่าทุก ทุกเพื่อุดจากทุกข้อมยากกเทสต์นี่ริงจัดว่าเป็นข้อมยากที่ดีทุกเพื่อุดจากทุกหมดกั้งหิว็บว ก, กินเพื่อพ้นจากอันตรายเพราะสิ่งที่จะกินเข้าไปมันเป็นพิษ อยากในสิ่งที่เป็นกิเลสยิ่งข้ามไปก็ยิ่งเป็นทุกข์เป็นโทษยิ่งหิวโหยยิ่งเบียดเบอยนเหมือนกันครับกินน้ำผิดนี่นี่ผิดนี่ยาผิดหิวน้ำจะตายแต่น้ามันเป็นยาผิดกินเข้าไปมันก็ตายสักรี่เดียยว่ามันเป็นโทษ เพิ่มโทษเข้าไปเนี่ยพันเจว่าข้อมอยากมันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์แต่อยากท่ามข้อมภาคข้มเพี้ยนเพื่อพ้นทุกข์อันนั้นมันก็เป็นทุกข์เพื่อจะพ้นจากทุกข์พันเจว่ามีข้อมเพี้ยนท่อมมีข้อมพยายาม สรุปลงมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่ำตามหลักท่ำข่ำสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าสอนให้แก่ใจนี่แหละเพ่งพินิษิจารณาให้รู้เรื่องของกายของใจเห็นตามความเป็นจริงแล้วเรื่องข่มรุดว่มปลอยว่มว่างนะ มันก็เป็นไปเองของมันจึงให้ปฏิบัติที่กายที่ใจของตัวเองร่วมเลยจึงว่า ป, ตตป า, วาปฏิบัติตนนเป็นเมื่อว่าปฏิบัติถ้ำเอยเพราะความสําคัญว่ากายว่าใจนี่แหละเป็นตนเลยว่าให้ปฏิบัติตนซะปฏิบัติตนให้เป็นถ้ำ เนี่ยบอกปฏิบัติต้นให้เป็นถรร้ำมันก็เลยคือบอเห็นถรร้ำว่าเขาถึงถรร้ำได้เรื่อยเป็นถุกเป็นผิดแต่ก่อนมองเห็นว่าการอยู่ข้องชะวะการทําจิตการงานมันว่ามีที่สิ้นสุดวุ่นวี่วุ่นวายการมาจบบอสิน้นนั่น ขณะคิดหนึ่งมันเกิดขึ้นมาสึงพยายามหาทางออกหาที่สงบสงัดเพื่อจะปฏิบัติเพื่อให้เพื่อนพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นผันมาตั้งใจก็ขึ้นปฏิบัติตั้งนาตั้งตาสู้การปฏิบัติมันก็ผันพิกขึ้นมาอีกอย่างนึงอีกผันกบไปอีกละ เลยว่าห้มองเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์อีกล่ะสิ่งที่เห็นเราเป็นโทษเป็นทุกข์ก็ เ, เลยหลอกว่าโอ้ยมัน่เป็นโทษเป็นทุกข์ดอกทุกข์ก็ทุกข์ชั่วขณะนิดนิดน่อยหน่อยโทษกัโทษนิดนิดน่อยหน่อยแต่มันเป็นค้อมุกมากไม้กายกองมันก็สอนขึ้นมาอีกก็หลงไปตามมันอีกก็ได้ทอดทิ้งค้อผ่าข้อเพี่ยนที่จปะปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นจากทุกข์ นี่มันเป็นนิจังซี่เวียงของใจใมันตกอยู่ในอำนาตแห่งก่อมหลอกหลอนหลอกล่วงพอชาติพระจึงให้เล่งก่อมภาคก่อมเพี้ยนขเขาเต็มทินิทพิจารณาท่าาทำการงานที่มันยังมีอยู่เพื่อให้มันสําเร็จลุล่วงไปถึงแหกว่ามันยังมาลุล่วงไปก็ให้มันใกล้เข้าไปมันเจ้าเข้าไปชีวิตนี่มันจะ สิ้นสุดไปก่อนมันเจาะเข้าไปใกล้เข้าไปหากว่ามันชีวิตนี่พอสิ้นสุดไปก่อนก็ให้มันค้นไปให้มันลุดออกไปจากทาซึกคือกิเลสทั้งหลายเรานี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่นสอนสอนจ้างนี่ไปห่อปี่ป้ถ้ำตามเอาไปถ้ำตามจะคลองไป จะเร่ทุกไปยังยังติดโทษผู้ใดว่าโทษจะคล้องโทษโทษจะคล้องนั่นสิจค้องเป็นผู้มักหนกเป็นผู้มักทุกข์เป็นผู้คล้อใจในทุกข์ว่าอย่างนี้จะทุกข์ว่าอจะทนทุกข์มันเกิทุกข์เรื่อยไปไปหาทุกขม์มาจะใส่ข้อเหตุของทุกข์มันเต็มอยู่หัวใจ ฟึกฮัปฏิบัติสร้างเหตุของสุขให้มันเกิดขึ้นมันก็ะสิทํำร้ายเหตุแห่งข้อมเป็นทุกข์มันจืดจางออกไปหมดไปมันก็จึงจะเหลือแต่ข้อมสุขเรี่ยงข้องใจมันเป็นอย่างซีเรี่งการปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติไปอย่างนี้ทุบาอาจารย์ท่นแสดงไปแว่ามีที่สงสัยว่มีที่ต้องติเย็นี่มันตีอยอะหัวใจห้าวนี่แหละมันบอกทัานเป็นมันบอยินดีแต่ยินแด้ฟังแล้วมันก็เหตุให้จืดจางอยู่แค่นั้นมันก็เลยจริงยู่สะโพกเพิ่มเห็นยู่สะโพกเพิ่มหนุ่ยยืดสะโพเพิ่ม ก็เลยปลอมอยูหัวใจห้องปลอมไปเรีย่ยปลอมกล้าขึ้นมือลอยอีปลอมน้อยขึ้นมือพันไปเรีย่ยขีหลวงผู่หมันเป็นกานแต่เดี๋วมาว่าท่านก็ิดนั่งขูมมมม่มือคู่มือกอดยื้อซื่มือโลบยื้อซื่มือหลงยอซื่มือตาบดามันยังบอ่งมันก็บว่าคนเนี่ย สิโลสิโกสิหลงสิทุกข์นี่เี้อืิเมื่อได้ยินได้ฟังเนียนําไปพิจรารณานําไปสอนตัวเองนั่มไปแท่งเบื้องเกียรของอันละหัวใจเกียร์ของนั่นเนี่ยไปคิดตัาผู้อื่นตัวเหตุมันอย่าย่าไปคิดตัวพันเทศให้ผู้นั่นพันเทศให้ผู้นี้เทศให้ เมื่อเจ้าของวัตถุผนผู้ใดมันยังนี่ยังเป็นอยู่มันก็ะถือผู้นั้นอ่ะอันเทาว่านั่มไปพี่หน้ามันบ่ถือมันปัดไว้อะโลดที่เหล็มันก็เกลื่อนไปโรดมันโยกให้พื้นไปโรดมันก็เลยโมขูงจากบอลแก่เจ้าของเขามันบ่เห็นมันบ่เห็นเรื่องสิแก่ขี่มันแม่นปิดมืออยู่หันมันก็โมโมว่าขี่ โอ้่ามันเหม็นยังเขาเยาะมันหอมสั่มผู้อื่นคือกินสิมันละเหม็นสินั่นก็พราะข้อมเ่าเข้าใจเพราเจ้าของจเจ้าเลยบวกหูจักล่างออกมันหูจักเหม็นหูจักหอมหูจกักมันมันแปดมันปิดก็รีบล่างออกไปมันก็หมดปัญหาไปทั้งเจ้าของกรบบอกโซกระปบผู้อื่นกบ็บาวล่ำข้าม เรื่องของทำคือการทำลาการแก่ไขการปดเปลือยยิ่งปดยิ่งเปลือยยิ่งรูเข้าใจไปทลามันแหงเบ า, เาไปเรื่อยลุดออกไปเรื่อยเขาใจรอบครอบมดโลกกวิทูรูแจ้งโลกเวิดเพื่อเห็นความจริงตามข้อมเป็นจริงเวิดแหละนั่นเกิดแหงเวิรดปัญหาไป เบิงเจ้าของแก่เจ้าของเตือนเจ้าของตนเองเตืยนตนเองนั่นแหละเจ้าของติเจ้าของเจ้าของแก่เจ้าของนั่นแหละเจ้าของปรับปรุงเจ้าของไม่มีใครสิปรับปรุงให้หอกว่าปรับปรุงเจ้าของว่แก้เจ้าของว่าฝึกเจ้าของแม่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสี่บอกแม่ท่าน าตาโลตถาคโตพระตาถาคตเป็นตาเพียงผู้บอกเมอนเป็นผู้ประโยกทุกยกโทษยกวัฏฐสงสารออกจากหัวใจให้ผู้ใด เ, เพียงจะบอกข้างว่าเหตุไปอย่างนั่นอย่างนั้นความจริงของมันมีอย่างนั่นอย่างนั่นมันเป็นไปย่างนั่นอย่างนั้นเล่าโดยที่จะหน้ารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นความจริงแล้ว จะเพิ่นบอกเท่านั้นเทนิสเข่าสีถ้ำห้เข่าริงขินมาเห็นจริงขึนมารูจริงตามความจริงที่เพิ่นเห็ น, น, นเป็นนาที่ของเขาที่จะใส่กล้องเพียนให้ได้ยากฝึกพัดปฏิบัติแก้ไขเจ้าของแก้มันลุดมันหลุดไปแล้วมันก็เบิดปัญหาคือยังเพิ่นวนัน ผู้วา่าจานพนแสดงไว้ทือเขาพูทธจากรเขาองแสดงไว้ขีหน้าซพเจาทั้งหลายพ้นจะแสดงไว้คือกันเวทหนึ่งอ่ะมันเป็นไปคือกันวเวทปัญหาไปนี่นไปพินิษพิจารณาไปประพฤตปฏิบัติไปแก้ไขเพื่อให้มันหมดปัญหาใน ใจก็จะได้รับความสุขความเป็นธรรมขึ้นมาที่ใจของเราก<อ>ารอธิบายธรรมเพิ่มเติมต่อเติมจากครูบาอาจารย์ที่ท่นานได้แสดงไปแล้วเห็นว่าควัญเจเวรีระยุติเอ่้อเที่ยงสนิท <c oughs> ของมีอยู่ <c oughs> มีอยูมั่รุ้จักอ ร, ริยสัจสี่ตกพรพุทธเจ้าพระองค์กันมันก็มียืนในพระองค์คึ้นกันอริยสัจสี่มั่รุ้จับพระบำเพ็น ปฏิบัติแยแยนหาท่างคนทุกข์ุทธเจ้าูหอดสูดส่สสทนทดลองปฏิบัติหาทางที่จะรูค้ค้อมจริงปฏิบัติยู่ตั้งหกปี น, นันพอนอาหารกันล่มอัศสะอัาสะอุทธกันกันพระอุระให้ล่มออกเกิด <c oughs> ทุกขเวทนาแสนสาหัสเพราะมีไผจะท่ำหด้เหมือนพระพุทธเจ้าอดอาหารดูซี่สิบเก้าวัน จนทะโลมาร่วงเพราะว่ามีอาหารเขาไปล่อเรียงขนร่วงออกทั่วสะพางร่างกายสนบสไลด์ไปสามหนว่ามีไผสีเห็ดให่มีไผสิท่ำไห้่เหมือนยางเขาเป็นยศียรสูอ <c oughs> ดสู่อน เมื่อท่าโดยคววมอดทนท่าโดยความทุกทรมานในเบื้องตน้นที่สแสวงหาหนทางเมื่อเห็นว่าไม่ใช่หนทางทาการกระท่ำเรานี่ไม่ไม่ท่าให้พ้นจากทุก์ได้ไม่ท่าให้พ้นจากอสวะคือ่บรูคววมจริง เพาอดอาหารกับอดทนอยู่หนึ่งเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวกับอดอยื่เท่านั้นเพราะสันจึงบบเห็นความสิ้นไปหมดไปแห้งอสวะเพราะบ่ลู้เหตุรู้ฝนเขามันยิ่งได้หันมาดำเนินทั้งด้านจิตใจพราคนทั้งเรื่องจิตใจ จิงคอยรูในวันที่นั่งยู่ที่อที่ผลกยังเกิดความรูมข้อมข้าใจในอริยศัจสี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าตัสสรูอริยสัจสี่ซค่งข้อมจริงซีประการทุกเหตุให้เกิดทุกนิโรธ ข้ามดับทุกมรรคปฏิบัติถึงข้ามดับทุ ก, กลู่ทุกลู้เหตุให้เกิดทุกข์ด้วยสติปัญญาอีกกระท่ำอยู่ใน้านานั้นว่าสติปัญญาเป็นมรรคเปนแสดงไปออามีความเพ่งเล่งจดจ่ออยู่ นี่ที่จะจนาอยู่ไมได้รู้เข้าใจว่าทุกตัวเกิดขึ้นจากเหตุคือความอยากีนเมื่อมีสติปัญญาเขาไปรู้ความจริงของเหตุของทุกรู้เท่าท่านความอยากนะความอยากกระดับไปข้อมอยากดับไปกทุกข์มันกระดับไป มีความดับทุกข์มีทําให้แจ้งมีโลธะความดับทุกข์มีถ้ำให้แจ้งแล้วทุกข์มันกระดับไปทุกข์ดับไปกับกรเรียใตใจที่เป็นธรรมชาติเป็นอันหนึ่งตั้งหากที่เป็นแสดงไปเมื่อกี้ตัวนั้นเป็นตัวบริสุทธิ์ที่อริยสักซีมันก็เป็นพระจธรรมระยางระยาง <c oughs> เนี่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์รูในี่อริยสัจธรรมทั้งสี่จริงเดยสีว่ว่าตัศรูอนุตระสมมาสัมโพธิญาณที่ม่มดทุกข์เพราะอาสวะทั้งหลายมันมดไปเพราะรูปข้อจริงแหีะยึดว่ถถอวัติวัตถุของในสิ่งใดมนเป็น่าซึก อ, อีกเนี่เมื่อตัศรูแล้วพระองค์ก็ สววิมุตติสุขอ่อีกสี่สบเกวันว่าได้สันเข่าสันมาเพะปรากฏว่าได้สันเรือวัดเสวยวิมุตติสุขที่พอที่ฝึกเจวันยืนแข่งข้อที่ฝึกอีกเจ็ดวันเด็เดินจงกรมอยู่อีกเจ็ดวันนั่งอยู่ มไม่มุจรินเจวันนั่งยธรมไมเจอีกเจวันนั่งยุธรมไมอชปนิโคอกเจวันว่าอยู่ในที่เจแหง่แหงแห่งละเจะเ็มตอนเป็นสีกวัน ที่นี่อยู่ด้วยความมดทุกยูด้วยความไม่มีทุกว่ามันอยู่ด้วยความอดทนเลยอยู่ด้วยความสุขด้วยความเบาควางสบายงเรียกว่าสเสวยวิมุตติสุขคือพ้นจากทุกแล้วมันเป็นวิมุตติรุดพ้นจากทุกเนี่ยมันตั้งกันเรียกว่า ก่อนที่จะตัดสรดุพระพุทธเจ้าก็เดรามานดูถึง49วันเมื่อตัดสรุกแล้เวเสวยความสุขอยู่49วันยังคอยเดิวมาฉันเข่าสันอาหารในเมื่อหาว่าความม่มีทุกเกิดขึนขข้นเนี่ยเพราะลูกก้อนจริง เรยกว่าเป็นทุกหรือว่าพ้นทุกก็ได้มีพ้นไปได้ด้วยข้อปฏิบัติเรียกว่ามักตัวเช่นยางพวกเราบําเพ็ญศีลคึ้ปฏิบัติศีลรักษาศีลอุโบสถหรือนั่งสมาธิภาวนาเรียกว่าเป็นการเจริญมักเหมือนกันแต่ว่ามันเจริญยังไม่กลา้า ก็เลยยังไม่รู้ก้อนจริงแต่ถึงยางใดก็ตามถ้ำเป็นนิสัยเป็นปัดใจพระกุธเจ้าพระองค์ก็ส้างสมบรารมีมากนานแสนนานเหมือนกันก่อนจะมากถึงการที่จะได้ตัสรู้เป็นพระกุธเจ้าที่จะมากคน้นขวารู้ถ้ำเห็นถ้ำด้วยพระองค์เอง สางบาลามีมากทางมากมา้ใ ก, ากลก้กองนี่จะปฏิเสธไม่ได้เรื่องการสางบาลมีคือการสางนิสัยนั่นเองพวกเราสางนิสัยอ้าถึงแม้ยังไม่พ้นยังไม่รู้ามจริงอ้สิ้นไปมดไปแห้งทุกกาตาม ถ้ำเป็นนิสัยที่ไม่จะรู้เลยนิดนิดน้อยหน่อยก็อยเอาถ้ำว่ายุดวายาถ้ำว่าถอดว่ถอยมันก็จะถึงจุดที่สุดยอดถึงจุดที่จะพ้นจากทุกไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้ประมาท ในประมาทในการบำเพ็ญตนในการปฏิบัติตนท่านศีลภาวน า, านผู้ประมาทอะไรชื่อว่าเป็นผู้ตายตายจากนิสัยปัศใจตายจากพื้นความดีที่จะกระทำให้สืบเนื่องกันเรียว่าประมาโทษมันคือโนประทัง ผู้ประมาทแหละในชีวะเป็นคนตายเป็นไงเนี่ยนีน่ชีวิตอยู่ก็ในชีวะตา ย, ยาตายจากข้อวัดปฏิบัติตายจากคุณง่ามความดีที่จะ ก, กระทํามันบ่เตี้ยต่อเนื่องกันจะเรียกว่าตายงั้นตนใหม่ตายเขามันบงอกง่ามตอมันจะเริ่มตอมันก็ตายผู้ไม่ประมาท อปมาโทอมาตังกระทั่งผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายมีความเพียนพยายามสู่อดสูดทนเอาข้อมอดทนเขาไปสู่ซะก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาความอดท้นเขาไปสู่ซะก่อนข้าว ก, ก็เอาข้อมอดทนเขามาสู่พยายามทำพยายาม ละสิ่งใดบม่มีพยายามท่ำให้มีให้เกิดอ้านบ่หมีทําให้เกิดให้มี่ศีนบ่หมีทําให้เกิดให้มี่บ่ประมาดบ่เรียบ ก, การเลียกเวลา่าเขาท่ำของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เรื่งเหตุเรี่ยงขลไม่มีการไม่มีเวลาอัการิโกท่ำเวลาไหนก็ได้เวล่านั้นเป็นเวลานั้น มียูเวลานั่นจ้่งมาได้เรียกการเรียกเวลาเหื่อชีวิตอินซีนมีอยู่พ่อจะทาได้แต่ทเพรา ะ, ะ, า ะ, าราะนอกจากสิ่งเหล่านี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสาระแกนสารนอกจากทานอกจากการปฏิบัติการบำเพ็ญท่นทานศีลภนนาวนา มีสิ่งไหนจะเป็นสาระแกนสารของชีวิตเกิดผิดมากแหละหายอยู่หายกินสนุกเผิดเพลินมั่วเมากันไปอยู่ตามเรื่องตามราวถึงการเวลาจบสิ้นต้องไปแลปหละก็หนดข้อหมายของความเป็นอยู่แต่สิ่งที่ทำไว้เป็นข้ามดีหรือไม่ดีอาหาัธทรมไม่สิ่งไม่ดี มันเกิดเป็นกรรมที่ไม่ดีจะให้ผลนเป็นทุกข์อีกต่อไปอทำในสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่ามีคุณค่ามีราคาชีวิตเกิดมาไม่ีคุณค่ามีราคาก็ได้สั่งสมอบรมหรือกอบโกยเอาทุนได้ทุนได้กำไรในกำไรจากทุนต่อเติมกันไป เพื่อจะให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปให้เขาสู้ได้ผลิตปฏิบัติขึ้นความดีให้ยิ่งขึ้นไปอีก